มันก่อนนะมีข่าวใหญ่มากเลยนะเกี่ยวกับจำมาคือข่าวว่าจำมาจะไปเป็นเจ้า ว, วาดวั ะ, ะธรรมกาย <c oughs> เป็นข่าวที่มาไม่รู้อีน้อยเนเลยนะแล้วก็มันบอกอะไรหลายอย่างนะเกี่ยวกับสื่อมวลชนแล้วก็สังคมไทยมาเริ่มต้นก็คือว่ามีข่าวเป็นบทความดีก่อนนะเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็รายงานว่าเปการเตรียมเสนอเชื่อจำมานะไปเป็นเจ้า ว, วาดวัะธรรมกาย แล้วก็เขียนว่าอรตามานี่มีความเหมาะสมอย่างไรบ้างนะแล้วก็เชื่อว่าอรตามาก็จะไปช่วยแก้ปัญหาสะสางปัญหาด้นวัฒธรรมากายได้เบิดความนี่เขียนไป็ตูเป็นตาเลยน ะ, ะประมาณหนึ่งในสาของหน้าอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหรสองสามชั่วโมงต่อมาก็มีข่าวประกบในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าคล้ายๆว่าอรรมานี่รับเป็นเจ้าบาวัธรรมากายแล้ว แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เตรียมฉลองข่าวแรกนี่เพียงแค่ว่ามีการเสนอเชื่อจะมาะนะไม่ได้บอกว่าจะมาจะรับรู้ด้วยข่าวที่สองนี่เหมือนกับว่าจะมารับรู้แล้วแล้วก็รับรับเป็นลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องฉลองแล้วก็ลือไปต่อไว้ว่าเนี่ยไอเขา ว, ว่าอย่างนี้ต้องฉลองเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์พูดนะอาจจะมาพูดเองคราวนี้ก็ไปกันใหญ่เลยคราวนี้แหละก็เลยข่าวก็เล ย, เลยแพร่ ก, กระจายไปทาง เฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ตลอดทั้งเช้าจนเที่ยงอรตมาไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าตอนนั้นไปบรรยายปิดโทรศัพท์พอเปิดโทรศัพท์ก็มีคนมาถามก็เลยบอกเขาไปว่ามันเป็นข่าวกุข่าวร่วงเพราะว่าไม่มีใครมาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือมาสอบถามความเห็นหรือมาทาาทามเลยบังทีเราเป็นข่าวคมลอยก็ได้แล้วก็ย้าไปว่าเนี่ยถ้าเขาเสนอมาก็ปฏิเสธ เรื่องนี้มันก็แผกไปไกลไปถึงต่างประเทศนะคนไทยต่างประเทศก็เขียนมาถามบ า, นะบางคนก็ดีใจนะบางคนก็ดีใจแต่บางคนก็บอกใช่เหรอนะเป็นไปได้ยังไงพระไปสารรับเป็นเจ้าวาดรับภาษาม ก, กายนมันคนละเรียกว่าคนละเรื่องเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มันเป็นอย่างงี้นะไปสืบไปสืบมาพบว่าก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเนี่ยก็มีเรียกเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ ที่เคยเป็นสอนชสมัยยุคสภานิติบัญญัติแ่งชาติเนี่ยซึ่งเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านธรรมกายก็พูดกับนักข่าวว่าถ้าให้พระอาจารย์ไพศาลไปเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนี่จะแก้ปัญหาได้ผู้แค่เนี่ยนะวันล่วงขึ้นก็มีข่าวเลยก็เนี่ยก็เลยประกวดเปิดบทความว่าเตรียมชงเรื่องให้พระไพศาลเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายถือว่นเป็นแค่ความเห็นนะล้วก็ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยก็แค่ความเห็นว่าเออ ถ้าให้พระภัยสารไปเป็นเจ้าวานี่คงดีนะข่าววันรุ่งเครื่องการบอว่าชงเรื่องพระภัยสารเป็นเจ้าวาไปกี่ชัมม่วโมงต่อมาก็กลายเนว่าพระไพยสารบอกว่าอย่างนี้ต้องฉลองไปไกเลเรื่อยนะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามไปก็เลยต้องปฏิเสธข่าวการนี้มันมันให้แง่คิดอะไรบ้างนะมันก็ชี้เห็นว่าคนเราเนี่ยเชื่อข่าวลือมากไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่สื่อนะที่เขาเรียบทำอะไรแบบไม่ค่อยตรวจสอบอันนี้เราก็เห็นอยู่นะบางทีเขาได้ได้ยินมาหนึ่งเขาก็เขียนเป็นสองเป็นสามหรือว่าปรุงเป็นสี่โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อใช้จริงแต่ว่าที่มันเป็นปัญหามากกว่านะั้นคือว่าคนไทยนะจำนวนมากก็หลงเชื่อข่าว โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเหมอือนกันข่าวโคมลอยข่าวที่ไม่มีมูลความจริงก็เชื่อที่จริงถ้าอ่านข่าวนี่ก็จะรู้ว่ามันเป็นแค่ความเห็นหรือว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ยิ่งคนจุญยาตมาแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอยู่วัดป่านี่ไปไปเป็นเจ้าวัดพัดเมืองขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเทท ย, ยานจะไป ทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความสามารถด้วยคือถ้ามองว่าเออแหล่งข่าวเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏแหล่งข่าวไม่ปรากฏที่มาข้อที่หนึ่งแล้วก็ที่สองเนี่ยความเป็นไปได้ก็ยากบางข่าวก็บอกว่าอาตมาได้รับทราบเรื่องนี้จากเพื่อนก็คือท่านจารดุษฎีไปทางกุโรซึ่งเป็นเจ้าว่าที่วัดทุ่งไผ่ชุมพร ท่านอยู่ชุมพรนะเรื่องนี้ถ้านจะมาจะได้ทราบข่าวเขาควรจะมาจากพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะที่ดูแลเรื่องเขตพื้นที่ว่าพนม ก, กาย mm hmm. เชิญปทุมหรือว่ากรุงเทพนั้นเป็นต้นนะอันนี้ก็เชื่อว่าคนไทยเราเชื่อข่าวหรือได้ง่ายไม่ตรวจสอบบางคนก็ไม่พูดผ่านทอมเพลนก็เขียนด่าหรือว่าคอมเมนต์ว่า แต่ว่าอาตมาคิดว่ามันอย่างสะท้อนอีกอย่างหนึ่งนะที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่ผู้คนจำนวนมากอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพ้ขาวนวลแพร่กระจายไปทั่วด้วยความยินดีปรีดาปราโมทนะก็คือคนไทยเราเนี่ยโหยหาอัศวินมาขาวนะตอนนี้มันมีปัญหาว่าพระธรรมากายแล้วคิดว่า ปัญหานี้จะแก้ได้ด้วยการที่มีใครสักคนเนี่ยมาจัดการเราก็เรียกว่าอศสุนมาขาวอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในหมู่คนไทยจํานวนมากเราต้องการอาสุนมาขาวเวลามีปัญหาอะไรก็คิดว่าอยากจะมีใครสักคนมาช่วยจัดการนี้ตอนที่มีปัญหาตอนที่มีการเรื่องสมรสศัก์ท่านเจ้าคุณพรมคุณาภรขึ้นเป็นสมเด็จพระพราชาคณะ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ไม่ทันแล้วก็มีข่าวหรือว่าเนี่ยจะมีการสถาปนาท่านเป็นพระสังฆราชแล้วก็มีแรงเชียร์ให้ท่านเป็นด้วยอันนี้เพราะคิดว่าถ้าท่านได้เป็นแล้วก็จะช่วย ส, สางปัญหาคณะสงฆ์ยกเครื่องให้หลุดจากปัญหาที่เป็นอยู่กระแสนี้มันก็เกิดจากกระแสที่โหยหา อาชวินมาขาวนะมาแก้ปัญหาปัญหาคณะสงฆ์ก็ดีปัญหาพรัธปรมกากรก็ดีมันเป็นปัญหาที่มีเหตุปัจจัยเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ปัจจัยส่วนบุคคลแต่เป็นปัจจัยทางสังคมเรืย่าปัจจัยเชิงระบบซึ่งถ้าอธิบายที่นี้ก็ยาวมันไม่ใช่แค่ว่าคนคนหนึ่งจะแก้ปัญหาได้ไม่จะเป็นคนดีคนเก่งแต่คนไทยเราชอบมองว่าปัญหาจะแก้ได้ด้วยตัวบุคคลไม่ได้คิดว่าจะแก้ได้ด้วยการสร้างระบบ ที่มันดีรู้ว่าปัญหาคณะสงฆ์มีเยอะนะก็คิดว่าถ้ามีคนดีมาเป็นพระสังฆราชแล้วก็จะแก้ได้ตัวอย่างก็มีม่เยอะแล้วนะตัวนในพระสังฆราชองค์ที่แล้วเนี่ยนะตัวนในพระยานสังวรท่านก็เป็นพระที่ดีมากนะแล้วก็มีสติปัญญามีความสามารถบารมีก็เยอะนะก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะกับคณะสงฆ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนะี่ย เราต้องเปลี่ยนความคิดนะว่าปัญหาที่มันยุ่งยากซับซ้อนจะแก้ได้ด้วยตัวบุคคลมีใครคนใดคนหนึ่งมาอันตมายที่ว่านี่คือนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอาการแพร่หลายกระจายข่าวนี้นะคือคิดว่าถ้ามีพระภัยามาเป็นเจ้าวาดแล้วเนี่ยวัดปฐม ก, กาลเนี้ยปัญหามันจะแก้ได้คนที่เข้าใจปัญหาดีเขาจะรู้เลยว่า ถ้าไปไปสาไปเห็นเจ้าว่าว่าพระธรรมกายนี่ตายแน่นะหมดสภาพนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคนหนึ่งแม่เก่งยังไงบริสุทธิ์ยังไงดียังไงก็ทาไม่ได้เพราะเรื่องมันยุ่งยากซับซ้อนกวที่เราคิดเยอะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนนะที่เราควรจะจะเข้าใจนะถอดบทเรียนให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ว่าปล่อยให้ข่าวลือมันหายไปแล้วก็ เดี๋ยวก็ลือเรื่องใหม่ซ้ำซากน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพรอิสิตังปฏิตังตุมพังทอิทพนที่ทานป่าธนนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพนชานสัพเพบุเรนตุสังกับปาขอความดำริท่างบวงจงเต็มที่จันโทปาราโสยะ า, าเหมือนพระอาจารย์นายวานเพลมณีโชติรโาโสยะธา เมือแก้เมือหนีอสว่างสวายควรยินดีสาธิโยวิวาชนตูวานจนหรายท้งปวงจงบำราบไปขัมพาโรคโควินาสาตูโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตผวะวัดวนดารโย อ, อันดารา ย, ยามีแก่ทยยุโยกอภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาภิวาทนาสิลิสันิจังวุธาปัจจายโนจตารุธรมาวันทันทอายุวันโนสุขังพลังภาะกันคืออายุวันนาสุขะพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิวาวันตูสาพมังพลังอสสาพมงคลดงมีแก่ท่า ดูษาพาเทว่ตาขอลาเทว่าตาทางผงดอกลาสานาพาภูนานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาสรรมานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังกานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์กาตาขอเทพาวันดุเธ ขอความสวัสดีท้งรลายจงมีกาท่า น, นุเมื่อเธอ